หลายคนในที่นี้เชื่อว่าคงจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็หลายคนก็อาจจะเพิ่งมาปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือภาวนาเป็นครั้งแรกเหมือนกันบางคนก็ จ, จะมีความสงสัย อยู่ในใจว่าการปฏิบัติธรรมมันจาเป็นแค่ไหนบางคนก็ จ, จะให้ว่ามันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้ก็ได้คำถามหนึ่งที่มาเกิดขึ้นกับหลายคนก็คือว่าปฏิบัติธรรมไปทำไม ในเมื่อฉันเองก็มีความสุขดีอยู่แล้วคนที่มีคำถามแบบนี้ในใจนะก็มีเยอะนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากจร <c oughs> ิงๆก็นายถามต่อไป <c oughs> ว่าที่ว่าฉันมีความสุขดีอยู่แล้วนี่จริงหรือเปล่า เพราะว่าหลายคนที่บอกว่าเนี่ยชันก็มีความสึก ด, ดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องปฏิบัติทมเลยแต่ว่าก็อาจจะเครียดอาจจะทุกข์อาจจะวิตกกังวลวันละหลายครั้งอาจจะกลุ่มใจที่เพื่อนไม่ได้สนใจเราอาจจะเสียใจที่ทำโทรศัพท์หาย อาจจะรู้สึกน้อยใจว่าแม่ไม่รักหรือว่าเพื่อนหมางเมินถ้ามาทบทวนดูดีๆก็อาจจะพบว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เข้าใจเท่าไหร่หรือถ้าสมมุติว่ามีความสุขดีอยู่แล้วนะก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วเราแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้เราจะสุขเหมือนอย่างวันนี้ เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเดือนหน้าปีหน้าเราจะยังสุขอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มีอะไรที่เป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ประสบเหตุร้า ย, ยาเช่นเจ็บเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียทรัพย์หรือว่าอกหักแฟนทิ้งหรือหนักกว่านั้ก็คือคนที่เรารักเขาเกิดมียาเป็นไปขึ้นมา มันไม่มีหลักประกันเลยนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนอยู่แล้ววันนี้สุขไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะสุขไปด้วยหรือพรุ่งนี้อาจจะสุขแต่ก็ไม่แน่ว่ามืรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าจะยังสุขอยู่คนที่เขาร้องโห่งร้องไห้ คนที่เขากลุ่ม อ, อกกลุ่มใจก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีความสุขดีก็าอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขาประสบความสำเร็จแต่แล้วพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเช่นพระประทุเงเป็นมะเร็งสวรรค์มันก็ล่มทันทีเลยนะ ก่อนหน้าที่จะเป็นมะเร็งก็อาจจะมีความสุขกับชีวิตอยากจะมีชีวิตต่อไป น, น, นานๆแต่พอโรคร้ายมันเกาอกินแล้วก็อาการลุกลามมากขึ้นหลายคนก็บ่นอยากตายอยากตายไม่อยากอยู่แล้วมันทรมาร์เหลือเกินแล้วก็อาจจะบ่นตัดเพราะว่าทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้น ทั้งทั้งที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะถ้าหากว่าเราเปิดใจนะพิจารณาดูใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นหรือว่าเราก็คงจะต้องเคยรู้จักใครสักคนอย่างน้อยหนึ่งคนนะที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือตายเพราะมะเร็งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ ไม่มีใครที่ไม่มีญาติมิตรหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแมนะ่ที่ไม่ป่วยอย่างน้อยต้องมีสักคนหนึ่งนะที่เป็นมะเร็งแล้วก็รักษาไม่หาย ห, ายหรือตายด้วยโรคนี้เพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้น ต, ต้องถามไหมว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะคนหนึ่งเขาก็เป็นกัน คนที่บอกว่าเนี่ยทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยพราะเขาไม่เคยได้มองชีวิตให้ถีทั่วเลยว่าของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เขาไม่มองก็เพราะว่าเขาเพลิกับความสุขเพลินกับความสําเร็จเพลินกับความเป็นหนุ่นเป็นสาวเพลินกับการมีกําลังวังชาเพลินกับความสนุกสนานก็เลยไม่เฉเลียวใจนึกว่า ไม่เฉลียวใจคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันไม่ใช่แค่ความเจ็บความป่วยเท่านั้นนะความล่มเหลวความพัดพลาดสูญเสียเดีย๋ยวไม่ต้องพูดถึงความแก่ชาราทั้งหมดนี้เนี่ยมันล้วนแล้แต่รอเราอยู่ข้างหน้าถ้าหากว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าหลายคนตอนนี้มันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะ สำหรับใครที่ยังไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาก็ยังถือว่าโชคดีแต่ถ้าไปชราใจคิดว่าเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับฉันเลยอันนี้ก็เรียกประมาทลนะความชราใจความประมาทนี่มันมันใกล้กันนิดเดียวให้คนที่บอกว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมในเมื่อฉันก็มีความสุขดียูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเพราะเขาไม่ได้มอง ชีวิตให้สุดสายให้ตลอดว่ามันมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าเหมือนอย่างที่เราสวดบนทรรมวัชเช้านะทุกวันเนี่ยนะมันจะมีข้อความนึ่บอกว่าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเ ป, เป็นผู้ที่มีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าแล้วความทุกข์มันอย่างเอาแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้ นั้นก็ก็อาจจะโชคดีก็ได้นะแต่ว่าไอ้ที่รออยู่ข้างหน้านี้ก็ยังมีอยู่นั้นถ้าเกิดว่าเรามองชีวิตให้สุดสายตลอดให้ไปตลอดรอดฟังก็จะพบว่าเนี่ยสุขวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ก็จะสุขด้วยมันมีความทุกข์รอเราอยู่คำถามคือว่าเมื่อมัน เกิดขึ้นกับเราหรือเมื่อต้องไปชนกับมันตราพร้อมหรื อ, อยังนะเราพร้อมที่จะรับมือกับมันหรื อ, อยังนะเพียงแค่มีเงินประกันมันไม่พอนะหรือแม้จะมีเงินประกันเงินประกันความเจ็บป่วยเงินประกันความสูญเสียนะแต่ว่ามันก็แม้อาจจะเยียวยา รักษาจิตใจเราให้หายจากความเศร้าโศกเสียใจหรือความวิตกกังวลได้ถึงแม้ว่าจะมีเงินประกันค่ารักษาเมเรง็งมีเงินประกันเยียวยาทดแทนทรัพย์สมบัติที่สูญหายไปแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาทดแทนความทุกข์ความวิตกกังวลหรือว่าความสูญเสียความเศร้าใจ ของบางอย่างมันมีค่ามีราคาที่ประเมินไม่ได้ไม่ใช่เป็นเป็นเงินทองแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจถึงจะหายไปได้เงินชดเชยมา ก, ก็มันก็ไม่คุ้มอันนี้แค่สิ่งของแล้ยังไม่นับถึงบุคคลซึ่งเป็นที่รักถ้าเกิดสูญหายไปลมหายใยจากไปก็เงินเท่าไหร่ก็มาทดแทนหรือมาเยียวยาความ เสียใจความเศร้าโศกไม่ได้เลยแต่ว่ามันยังมีอย่างหนึ่งที่สามารถจะช่วยได้นะสิ่งนั้นก็คือใจที่มีธรรมะใจที่ได้รับการฝึกฝนได้รับการารักษาด้วยสติด้วยปัญญาใจที่มีความรู้สึกตัว ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตได้มีเงินเท่าไหร่ก็อาจจะไม่อาจาป้องกันความเจ็บป่วยได้นะเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ป่วยเป็นมะเร็งเยอะแยะแต่ว่าป่วยกายใจไม่ป่วยนะทำได้นะป่วยกายใจไม่ป่วยนี่ทำได้ มีหลายคนนะที่ป่วยด้วยโรคร้ายแต่ว่ายิ้มแย้มไดนะ้ไม่ต้องเป็นถึงกับพระอรหันต์พระรยบุคคลหรอกนะเป็นปุถุชนก็มีหลายคนนะที่เขาสามารถจะมีความสุขได้สุขใจแม้ว่ากายจะทุกข์หรือว่าเขาสูญเสียเข้าของทรัพย์สมบัตนะิแต่ว่าใจไม่เสียด้วย เสียจะซับใจไม่เสียหลายคนนี่เสียซับไปเงินหายเงินถูกโกงไปเพื่อนอยืมแล้วไม่จ่ายบางคนก็เป็นหมื่นบางคนก็เป็นแสนแต่ว่าทำใจไม่ได้เศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งล้มหมอนนอนเสือ ก็กลายเป็นว่าเสียใจไม่พอสุขภาพก็เสียด้วยหรือว่าถือไม่เสียสุขภาพแต่ว่าไม่มีสมาธิทำงานเสียใจวิตกกังวลกลุ่มอกกุ่มใจงานการก็เลยเสียทำงานไม่ได้บางคนลา ง, งานเป็นเดือนก็ยังไม่ดีขึ้นเท่านั้นยังไม่พอแลพอเสียใจ พอหงุดหงิดเครียดกังวลวิตกอารมณ์เสียก็ระบายใส่คนรักหลายครอบครัวแตกแยกกันก็เพราะว่าธุรกิจมีปัญหาทาั้งทั้งที่น่าจะช่วยเหลือกันในยามที่เดือดร้อนแต่ว่ามันไม่อย่างนั้นหรือว่าบางคนก็เสียลูกไปแทนที่จะรักกันมากขึ้น ช่วยเหลือกันเพื่อให้ประคับประคองจิตใจให้ผ่านพ้นวิกฤตแต่ปรากฏว่าครอบครัวก็อย่าร้างกันอีกนะบางทีลูกไม่ตายนะลูกแค่ที่การนะแต่ว่าต่างโทษกันไปโทษกันมาหรือว่าต่างคนต่างก็เศร้าโศกเสียใจมีความทุเลาะกันเลยระบายความทุกข์ใส่กันและกันก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ก็เสีย บางคนไม่ได้เสียลูกหรือว่าเสียคนรักนะเพียงแค่ว่าเงินหายของหายนะธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จนะก็กลายเป็นว่าทะเลาะเบกแวงกันสาดใส่ความทุกข์เหตุกัน์รัดกันเอาไปเอามาเนี่ยไอ้สิ่งที่เสียไปถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วนี่หมาถึงเสียใจสุขภาพเสีย เสียงานแล้วก็เสียความสัมพันธ์รวมๆไปแลรวมๆกันแล้วนี่อาจจะมากกว่าเงินที่เสียไปสิเริ่มแรกเสียเงินไปแสนหนึ่งเริ่มแรกเสียเงินไปสี่ห0 0 0สหรือว่าสีห้าหมื่นแต่ว่าสิ่งที่เสียไปจากนั้นสิ่งที่เสียตามมาเพราะวางใจไม่เป็นวางใจไม่ถูกปล่อยวางไม่ได้เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียความสัมพันธ์ รวมกันแล้วคิดเป็นมูลท่านี้อาจจะเป็นหลายล้านก็ได้นะเอาคนฉลาดเนี่ยเขาจะเสียถ้าจะเสียก็เสียแค่อย่างเดียวก็คือเสียเงินเสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียสุขภาพไม่เสียงานไม่เสียความสัมพันธ์ไม่เสียจากคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะเสียแบบเรณีระนาดเลยนะนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ได้ฝึกใจเอาไว้ที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้เลย อันนี้เพราะความประมาทเพราะคิดว่าฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วะจะปฏิบัติธรรมไปทำไมก็ลืมไปว่าเนี่ยตอนที่มีความสุขตอนที่ยังปกติดีนั่นแหละคือช่วงเวลาที่ต้องฝึกฝนนะเตรียมรับมือกับเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นก็เหมือนทหารนะก็ก็จะมีคำขวัญว่ายามสงบเราฝึกยามสึกเรารบนะ ไอ้ตอนที่สงบตอนที่บ้านเมืองไม่มีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยนะเป็นเวลาที่ดีสําหรับการฝึกฝนซ้อมรบนจะไปคิดว่าเอมันไม่มีอะไรตอนนี้จะซ้อมไปทําไมไม่มีประโยชน์บ้านเมืองก็ปกติดีอยู่แล้วซ้อมไปทําไมนะไม่มีใครถามแบบนี้กันเพราะเขารู้ว่าถามแบบนี้มันประมาท อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่มีศึกสงครามนี้ต้องซ้อมซ้อมเต็มที่แล้วพอเกิดศึกขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องซ้อมแล้วลงมือเลยนะเข้าสู่สม ร, รภูมิจริงถ้าพวกเราถึอแม่จะไม่ใช่ทหารนะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไม่มีศึกรอรอเราอยู่นะสงครามชีวิตสงครามกับความทุกข์ ความเจ็บป่วยความสูญเสียความล้มเหลวสารพัดมันอาจจะเป็นสงครามที่ไม่ใช่สู้กันด้วยหรือทาลายกันทางร่างกายแต่มันเป็นสงครามที่ทำให้เกิดความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลความเศร้าเสียใจมันบั่นทอนจิตใจนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราทุกมันไม่ได้ทุกเพราะว่าทุกกายมากเท่ากับทุกใจนะความทุกข์ของคนสมัยนี้มันเป็นความทุกข์ใจเสียมากถึงแม้ว่าจะมีเงินทองถึงแม้ว่าจะมีร่างกายปกติมีทรัพสมบัติแต่ ว, ว่าก็ยังมีความเครียดนอนไม่หลับคิตไม่ได้กลุ้มอกกลุ้มใจด้วยเรื่องต่างๆสารพัด ถ้าความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้จากอะไรนะก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้จักฝึกฝนจิตใจเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ช่วยบังคนจะราบเรื่อยไปตลอดนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเจอวิกฤต สิ่งนั้นคืออะไรนะคือความเจ็บป่วยและความตายสุขวันนี้สบายวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้วันหน้าจะไม่ตายยังไงเราทุกคนก็ต้องตายแล้วพร้อมที่จะรับมือความตายหรือยังหรือยังประมาทอยู่ว่าฉันยังหนุ่มยังสาวนะฉันยังมีกําลังวังชานะอีกนานกว่าจะตายนะอันนี้ประมาทนะเพราะความตายมันเกิดขึ้นกับเราได้ ทุกเวลาเดินลงบันไดถ้าเดินไม่ไม่มีสติก็อาจจะหกล้มหัวฟาดพื้นตายหรือว่านั่งๆอยู่ก็อาจจะหัวใจหยุดเต้นก็ไดนะ้เคยไปอบรมเรื่องเป็นมิกะความตายนะที่หอจดหมายเหตุสวนโมกุงเทพากาลัง มีกิจกรรมทำอยู่ดีๆตอนบ่ายบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30กว่าอยู่ดีก็ล้มลงไปถือแล้วเนือเป็นลมเพราะในห้องนั้นมีคนเป็นร้อยบอกว่าหัวใจหยุดเต้นแตาโชคดีในนั้นมีหมอเยอะนะก็ช่วยกันปั๊มขึ้นมาอายุยังไม่มากเลยนะ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเธอก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะมะเร็งระยะต้นๆอาจจะกินยาหรือว่ามีปัญหาแทรกซ้อนก็เลยหัวใจหยุดเต้นดีที่มีคนเช็คชีพจรแล้วก็เช็คหัวใจก็เลยช่วยขึ้นมาพาส่งโรงพยาบาลอรอดนะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่มีหมอหรือว่าไม่มีคนฉเฉลียวใจนี่ก็อาจจะตายคาที่ไปเลยก็ได้ไมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานนะเรื่องแบบนี้เพราะนั่นเราต้องไปประมาทนะั่เพราะท่านเนี่ยถึงแม้เราจะมีความสุขดีอยู่แล้วนะเราก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมตัวอย่างนี้ไม่พอเราต้องเตรียมใจด้วยนะเพื่อที่จะรับมือกับมันเพราะว่า ความทุกข์หรือเหตุร้ายหลายอย่างเนี่ยอย่างอื่นช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ใจนี่แหละสำคัญนะจริงในอย่างปกติเนี่ยคนเราจะสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละนะแม้ว่าบ้านชีวิตจะราบเรียบราบรื่นเหมือนโรดเกี่์กูลาบมีกินมีใช้ครอบครัวอบอุ่น ไม่เจ็บไม่ป่วยการงานก็ไปได้ดีแต่หลายคนก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเบื่อทุกข์เพราะเงาเงาและเบื่อรู้สึกคิดว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายคนมากมันก็น่าแปลกนะชีวิตก็ราบรื่นดีทุกอย่างก็ปกตินะแต่ว่าก็ยังทุกข์อยู่ เพราะเบื่อเพราะเหงาหรือเพราะอยากจะได้มากกว่านี้เห็นคหนหนึ่งเามีมากกว่าเรามีดีกว่าเราก็อยากจะได้อย่างเข้ามั่งบางทีก็ไม่พอใจรูปร่างหน้าตาของตัวท่าั่งที่ก็ดีอยู่แล้วพอเห็นคหนหนึ่งเขาสวยกว่านะเขาเพรียวกว่าเขาสมาร์ทกว่าเขาเท่วกว่าเนี่ยมันทูกพอใจทั้งนั้น าการปฏิบัติธรรมเนี่ย ม, มันสําคัญมากนะสำหรับการที่จะช่วยทําให้เรามีความพร้อมในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะมาในรูปใดความรู้ทางโลกหรือความรู้ที่เกิดจากการเรียนได้ปริญญาเยอะๆปริญญาสูงๆเนี่ยมันไม่พอนะเพราะว่า มีปริญญาเยอะหรือเรียนสูงเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยมันก็สูงตามไปด้วยมันก็ฉลาดตามไปด้วยและกิเลสที่มันฉลาดมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ได้ง่ายเช่นไม่พอใจกับชีวิตคิดโนนคิด น, น, ดนี่จนกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจพราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยหากว่าเรา เข้าใจจุดมุ่งหมายของมันเราก็จะรู้ว่ามันสิ่งสำคัญมากและสิ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้เริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ไม่ยังเป็นว่าอยู่ในวัยใดยิ่งเป็นวัยหนุ่มวัยสาวนี่ก็ยิ่ง เหมาะนะเพราะว่ากำลังวังชายังมีจะรอให้แก่แล้วค่อยเข้าวัดอย่างที่หลายคนนึกอยู่ในใจนะ mm hmm. ก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้เพราะว่ากำลังวังชาไม่อํานวยหรือว่าอาจจะไม่ทันได้แก่ก็ได้ไม่มีโอกาสได้แก่เพราะว่าเกิดป่วยเกิดตายสักคน <c oughs> ที่จริงเนี่ยการที่คนเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยก็ว่าได้นะเ <c oughs> <c oughs> มือ่อสักสองสามปีก่อนเขามีการมีนักนักวิชาการนักวิจัยชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อแกก็ไปสอบถามความเห็น ของคนประมาณ72ประเทศนะศึกษาวิจัยสอบถามความเห็ น, นยอย่างที่เราทะลุปลุก ป, ปรง72ประเทศนะรวมมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็สอบถามคนวัยต่างๆข้พบก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือก้อพบว่า อายุเฉลีย่ยของคนที่มีความทุกข์มากที่สุดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ46ปีนะคนที่อายุ4ี่ปีเนี่ยเป็นอายุเฉลีย่ยของคนที่มีความทุกข์มากที่สุดทุกในที่นี้นี่ส่วนใหญ่เข้าหมายถึงทุกใจนะความวิตกกังวลความเครียดมันก็ไปพร่องไปสอดคล้องกับความกับงานวิจัยของ ศา ส, สตราจารย์คนหนงที่หมหาวยาลัยรนสตันอันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันเขาก็ไปสอบถามความเห็นของคนต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งในเรื่องของอายุสุขภาพความรู้สึกสุขทุกข์อาชีพการงานแล้วก็พบว่าวัยที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดมีความเครียดมากที่สุด แล้วก็มีความเบิกบานมีความสุขน้อยที่สุดเนี่ยคือวัยกลางคนวัยกลางคนก็ประมาณสี่สิบกว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยความสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นความทุกข์ค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งถึงอายุแปดสิบแล้วพบว่าเขาไอ้ความเส้นความทุกข์ของความรู้สึกสุขทุกของคนเนี่ยมันจะคล้ายๆไปรูปตัวยูนะคือ สุขมากตอนยุสิบแล้วค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัยกลางคนก็จะต่ำสุดในแง่ขความสุขหรือสูงสุดในแง่ขความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลแล้วค่อยๆแล้นั้นความทุกข์ค่อยลดลงความสุขค่อยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอายุ80มันจะเป็นรูปตัวยูแล้วก็มีคําถามขึ้นมาว่าให้ทําไมคนแก่เนี่ยถึงมีความสุขมาก กว่าวัยกลางคนทั้งที่วัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นวัยที่เรกว่าขาขึ้นนะพูดนาหลายคนก็ได้เป็นได้ครองตำแหน่งสูงสุดก็ประมาณ40ปลายปายอย่างโอบามานะหรือว่าเดวิดคาเมรอนหรือว่าท In ักซินชินวัตอภิสิทธ คนนี้ก็40กว่าทั้งนั้นนะตอนที่เป็นได้เป็นผู้นำประเทศเศรษฐีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็เห็นหน้าเห็นหลังก็เนี่ยวัยกลางคนนี่แหละแต่ทำไมถึงมีความทุกข์มากส่วนคนแก่เนี่ยจ้างที่กำลังวางชาก็น้อยเงินทองก็ร่อยรอเกียรติยศชื่อเสียงก็น้อยลงเพราะว่าเป็นวัยกเกษียณ ทำไมถึงมีความสุขมากกว่าและสุขมากกว่าคนที่อายุสิบด้วยซ้ำนะขนาดเต็มสิบนี่อายุพวกแปดสิบนี่มีความสุขประมาณเจ็ดส่วนอายุสิบแดมีความสุขประมาณหกจุดแปดนี่เขาทำละเอียดขนาดนั้นเลยก็มีคำอธิบา ย, ยานี้ว่าเป็นพราะคนแก่เนี่ยคนชราเนี่ยถึงแม้จะมี กำลังวังชาน้อยลงมีเงินไม่มากนะเหมือนตอนที่ยังอยู่เป็นวัยกลางคนแต่ประสบการณ์ชีวิตวุฒิภาวะและความสามารถในการจัดการกับอารมณ์เนี่ยมันทำให้เขามีความสุขมากกว่าเช่นประสบการชีวสอนเขาว่าความทุกข์เนี่ยเหตุร้ายเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ผ่านเลยไปอยู่ไม่นานเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนคนหนุ่มคนสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยยังทาใจไม่ได้เจอความทุกข์เจอความล้มเหลวก็หัวฟัดหัวเวียงหรือว่าตี อ, อกชกหัวเพราะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนแก่นี่เขาอาบน้าร้อนมาก่อนเขามีประสบการณ์มาก ผ, าผ่านร้อนผ่านน้อมากๆเขาก็จะรู้ว่ามันธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปอีกสาเหตุห น, นึ่งก็เพราะว่า เขารู้ว่าความสุขมันอยู่ที่ใจนะความสุขมันไม่ได้ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะถ้าทำใจให้ดีทำใจให้เป็นบวกมันก็มีความสุขได้ไม่เครียดอีกเหตุผลหนึ่น็คือว่าเขารู้ว่ายอมรับข้อจํากัดของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่สมหวังไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรยอมรับได้ทำใจได้นะส่วนวัยกลางคนคนหนึ่คนสานี่ยังทำใจไม่ได้เพราะเครียดตัวเองเนี่ย มีความสามารถล้นเหลือเวลาล้มเหลวก็หัวฟัดหัวเวียงและประการสุดท้ายคือว่าคนคนที่มีอายุเนี่ยเขารู้ว่าเวลาเขาเหลือไม่นานมีเวลาเหลือไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ฝากความหวังไว้กับอนาคตแ ล, ล้วมีความสุขกับปัจจุบันเลยเก็บเกี่ยวความสุขทุกขณะทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดทําทุกวันนี้ให้ ให้ใจสบายไม่หวังพึ่งความสุขในวันข้างหน้าเพราะนะนเขาต้องมีความสุขนะนี่พูดโดยเฉลี่ยจะเจได้ว่าความสุขเนี่ยเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของมุมมองเป็นเรื่องทัศนคติแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ต้องรอให้อายุถึง80ดสิก่อนนะถึงจะมีความสุขได้วุฒิภาวะประสบการณ์หรือความเข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ ในคณที่เรายังหนุ่มยังสาวนะซึ่งส่วนนี้เกิดจากการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเห็นความจริงเห็นความจริงของชีวิตว่าความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่จีรังยั่งยืนมันมาแล้วก็ผ่านเลยไปอยู่ไม่นานหรือว่ารู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ ของตัวได้มีความทุกข์มีความเครียดมีความโกรธมีความเศร้ามีความนั้นตําใจก็จัดการมันได้ไวให้สิ่งนี้เราทําได้นะไม่ต้องรอให้แก่สักก่อนไม่ต้องรอให้ผ่านโลกมามากมายนะถึงจะทําอย่างนั้นได้บางทีคนแก่ก็ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ายัางมีความยึดมั่นถือมั่นนะ แต่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เาเรียกวความฉลาดทางอารมณ์นะสมัยนี้เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ก็คือว่าจัดการกับความทุกข์จัดการกับความอึดอัดขัดข้องใจรวมทั้งกิเลสตัณหาต่างๆได้ดี ไม่ปล่อยให้มันมารบกวนสร้างความทุกข์กับจิตใจถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาจะเาจะไม่รีรอนะเขาจะรีบฝึกฝนพัฒนาตนโดยเพราะเรื่องจิตเรื่องใจนะเพื่อที่จะรับมือกับความข้องขัดหรือว่าความไม่สมหวังหรือว่าเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ ยิ่งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำความเข้าใจจนเห็นธรรมชาติของใจเห็นธรรมชาติของกายนะรู้กายรู้ใจรู้ความจริงของกายและใจนะรู้จนไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในหรือหลงในตัวกูของกูนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ ปรุงแต่งขึ้นมาก็าทำให้สามารถจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้โดยใจไม่ทุกข์อันนี้แหละคืออันนี้สงนะหรือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมันเป็นประโยชน์ที่เราจะพบได้นะถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ทำสัก แ, แต่ว่าเป็นพิธีหรือว่าทำแต่รูปแบบด้นี้เคยผลว่าแม้กระทั่งคนที่ทำบุญให้ทานหรือว่าคนที่รักษาศีลแม้จะทำมามากนะนั้นก็ยังไม่พอนะเพราะว่าให้ทานเยอะรักษาศีลทั้งศีลห้าศีลแปดแต่ว่าก็ยังทุกได้นะทุกใจเพราะความเจ็บความปวดทุกใจเพราะความพัดพราดสูญเสีย มันไม่ใช่เป็นหลักประการว่าทําบุญให้ทานเยอะรักษาศีล น, นะอย่างเคร่งครัดแล้วนี่จะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่เจอความสูญเสียพัดพรากมันเกิดขึ้นกับทุกคนแหละอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะรับมือกับมันอย่างไรเราจะทําใจกับมันอย่างไรนะคำตอบมัน ส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญด้วยนะก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละเดยเพราะการภาวนาที่ราสติปัฏฐานคำนี้ก็พูดกันเท่านี้น ะ, ะจะภาพ ร, พร้อมกัน